เจริญสุขท่านสาธุชนและท่านผู้ฟังผู้สนใจในธรรมทั้งหลายพบกับรายการธรรมะสู่สันติอีกเช่นเคยเป็นประจำในวันเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้วันนี้อาตมาภาพก็จะได้นำปาตกถาธรรม ของหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยชยะมังคโลจะอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามมาเสนอแด่ท่านผู้ฟังในเรื่องผู้มีอริยทรัพย์ย่อมเป็นผู้ไม่ยากจนซึ่งหลวงพ่อท่านได้แสดงปาตกถาธรรมเรื่องนี้ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์เผยแพร่ไปทั่วประเทศเมื่อวันอาทิตย์ที่17เดือนสิงหาคม มีพุทธศักราชสองเนื้อหาสาระของธรรมะนั้นหลวงพ่อท่านได้อธิบายทรัพย์อันประเสริฐที่สาธุชนเมื่อเข้าใจว่ารัพย์ที่มีค่าที่สุดในชีวิตของเรานั้นพระพุทธองค์ท่านได้ตรัสแสดงไว้ว่ามีอยู่เจ็ดประการจะมีอะไรบ้างสาธุชนขอเชิญมาทำความเข้าใจในหลักทรัพย์ ทางพระพุทธศาสนาว่าเมื่อผู้ศึกษาและปฏิบัติธรรมมีคุณธรรมทั้งเจ็ดประการนี้แล้วย่อมจะเป็นผู้ไม่ยากจนไม่ขัดสนในทางพระพุทธศาสนาจึงขอเชิญท่านสาธุชนมาศึกษาหาความรู้ในปาตกถาธรรมของหลวงพ่อโดยพร้อมเปลี่ยงกันณบัดนี้เจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่าน วันนี้อาตมาภาพก็ได้มาพบกับท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยในรายการปาฐถกถาธรรมทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี้เรื่องที่อาตมาภาพจะได้บรรยายในวันนี้คือเรื่องผู้มีอริยทรัพย์ย่อมเป็นผู้ไม่ยากจนดังที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ในสตักกานิบาตอังคุตรนิการพระสุตันตปิฎกเล่มที่23าข้อหว่ายะสะเอตาธนาอัติ อิติยาปุริสัสวาอัตลิธโทติตังอาหุอโมคังตัสชะชีวิตังแปลความว่าทรัพย์เหล่านี้มีแก่ผู้ใดจะเป็นหญิงหรือชายก็ตามบัณฑิตรเรียกผู้นั้นว่าเป็นผู้ไม่ยากจนชีวิตของผู้นั้นไม่เปล่าประโยชน์ทรั์เหล่านี้คือศรัทธาศีลหิริโอตปะสุตะจาคะและปัญญารวมเรียกว่าอาริยซับเจ็ 7, คือรั์อันประเสริฐเจ็ประการที่ผู้มีทรั์เหล่านี้แล้วย่อมเป็นผู้ไม่ยากจนจริงๆพระพุทธองค์จึงได้ตรัสต่อไปว่าเพราะเหตุนั้นท่านผู้มีปัญญาเมื่อระลึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าพึงประกอบศรัทธาศีลความเลื่อมใสและเห็นธรรมหมายความว่าเพราะทรั์อันประเสริฐเหล่านี้มีอยู่ในผู้ใดแล้วผู้นั้นเป็นผู้ไม่ยากจน ไม่เป็นคนเปล่าประโยชน์อย่างนี้แล้วผู้มีปัญญาเมื่อระลึกถึงพระธรรมคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้พึงน้อมเข้ามาประพฤติปฏิบัติด้วยความเลื่อมใสศรัทธาในพระรัตนตรยัยพึงเป็นผู้มีศีลและปฏิบัติธรรมเพื่อเจริญปัญญาด้วยความเห็นแจ้งรู้แจ้งในสภาวะธรรมและสัจธรรมตามที่เป็นจริงได้ดวงตาเห็นธรรมถึงความสิ้นทุกข และบรรลุอมะตะธรรมคือพระนิพพานอันเป็นบรมสุขตามรอยบาทปพระพุทธองค์แม้เมื่อเริ่มปฏิบัติธรรมนี้จะยังไม่บรรลุความเป็นพระอรหัต์อรหันผู้สิ้นทุกอย่างสิ้นเชิงฉับพลันทันตาเห็นแต่เมื่อลงมือปฏิบัติแล้วก็ย่อมทมหรือพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนให้ดีขึ้นได้ให้เป็นผู้ไม่เปล่าประโยชน์ให้เป็นผู้ไม่ตกต่ำไม่อยากจน มีแต่จะทำให้เป็นผู้มีความเจริญรุ่งเรืองและสันติสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปอย่างแน่นอนยิ่งในปัจจุบันนี้เป็นระยะที่ผู้คนเป็นจำนวนมากต่างรู้สึกว่าถูกสภาวะเศรษฐกิจบีบคัน้นหนักบ้างเบาบ้างตามฐานะท่านทั้งหลายพึงเข้าใจว่าเพราะผู้คนขาดศีลขาดธรรมไม่มีศีลไม่มีคุณธรรมประจําใจเพราะไม่ได้สนใจศึกษาทําความเข้าใจในศีลในธรรมและปฏิบัติอยู่ในศีลในธรรม พากันหลงแต่วิชาความรู้ทางโลกที่มีแต่ให้เจริญทางวัตถุพากันหลงพัฒนาแต่เทคโนโลยีเพื่อให้ได้สิ่งอำนวยความสะดวกสิ่งบำเรอความสุขด้วยกามคุณคือรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสทางกายที่ชวนหรือเย้าวยวนให้หลงยินดีพอใจติดใจแต่ถ่ายเดียวแต่ขาดการพัฒนาจิตใจที่มักจะฝ่ายต่ำด้วยอํานาจของกิเลสตัณหาอุปาทานผู้คนที่ไม่ได้รับ การอบรมศีลสมาธิและปัญญาจึงขาดคุณธรรมเป็นเครื่องคุ้มครองจิตใจมีการดำเนินชีวิตและประกอบกิจาการด้วยความโลภจัดมีความเห็นแก่ตัวจัดเห็นแก่พักพวกของตนจัดตันหาราคะจัดโกรธพยาบาทคิดแต่จะพิฆาตเข็นฆ่าให้ผู้อื่นพินาศทิหายโดยไม่คำนึงถึงศีลธรรมอันเป็นคุณธรรมที่จะนาชีวิตตนหมู่คณะและสังคมประเทศชาติ ไปสู่ความเจริญและสันติสุขอันถาวรได้อย่างแท้จริงเพราะผู้คนมุ่งสนใจแต่ความเจริญทางวัตถุและเทคโนโลยีใหม่ๆจึงไม่สนใจไม่ใส่ใจที่จะฟังที่จะศึกษาทาความเข้าใจในพระสัตธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและปฏิบัติพระสัตธรรมให้มีประสบการณ์และให้ได้รับให้ได้รับผลตามสมควรแก่ธรรมะปฏิบัติของตน ให้เกิดปัญญาเห็นทางเจริญและทางเสื่อมแห่งชีวิตตามที่เป็นจริงจึงขาดความศรัทธาในพระรัตนตรัยคือในพระพุทธระธรรมประสงค์ปล่อยให้จิตใจเป็นไปตามอํานาจของกิเลสได้แก่ความหลงมัวเมาไม่รู้บาปบุญคุณโทษตามที่เป็นจริงเมื่อธรรมสัญญาขาดจากใจจึงพากันประพฤติปฏิบัติตนไปตามอํานาจของกิเลสตัณหาอุปาทานประพฤติผิดศีลผิดธรรมอย่างไม่มีความละอาย ไม่มีความเกรงกลัวต่อบาปอภุษณ์นำตนและหมู่คณะสังคมและประเทศชาติไปสู่ความเสื่อมใกล้ความหายณนะและอาจจะถึงความหายณะได้ในที่สุดเพราะฉะนั้นวันนี้นี่แหละอาตมาภาพจึงใครจะขอชี้แจงถึงข้อปฏิบัติเพื่อพัฒนาจิตใจอันจะช่วยกอบกู้สภาวะทางเศรษฐกิจทางสังคมที่เสื่อมโทม ให้บุคคลผู้สนใจในธรรมที่จะนำชีวิตไปสู่ความเป็นผู้ไม่อยากจนไม่ขับแคขนช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยอริยศัพ์อันประเสิดให้กลับฟื้นคืนตัวให้มีความเจริญรุ่งเรืองและสันติสุขที่ถาวรอย่างแท้จริงต่อไปได้พระสัทธรรมของพระพุทธเจ้านี้เมื่อใครผู้ใดสนใจใส่ใจตั้งใจฟังตั้งใจศึกษาให้เข้าใจแล้วนาไปประพฤติธปฏิบัติแล้ว ย่อมได้รับผลดีแก่ตนเป็นคนไม่เปล่าประโยชน์ข้อปฏิบัติให้เกิดอริยทรัพย์นี้คือประการที่หนึ่งพึงให้ระลึกถึงและพิจารณาถึงพระสัจธรรมคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เห็นด้วยปัญญาว่าหลักคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่มีมาแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่สอนให้ไม่กระทําความชั่วทั้งปวงให้บําเพ็ญแต่ความดี และให้ทำจิตใจให้ผ่องใสนี้เป็นหลักคำสอนที่ดีไหมและกฎเกณฑ์ที่เป็นจริงตามธรรมชาติหรือกล่าวโดยย่อวัากฎแห่งกรรมที่พระองค์ได้ตรัสรู้ดีแล้วคือทรงเห็นแจ้งรู้แจ้งด้วยพระองค์เองแล้วว่าผู้กระทำกรรมดีย่อมได้รับผลดีผู้กระทำกรรมชั่วย่อมได้รับผลชั่วนี้นะ่ะเป็นจริงไหมแล้วพิจารณาให้เห็นด้วยปัญญาอีกต่อไปว่าพระอริยสัจธรรม ที่พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้ความจริงอย่างประเสริฐในเรื่องของทุกข์เหตุแห่งทุกข์สภาวะที่ทุกดับเพราะเหตุดับมีได้เป็นได้อย่างไรและอริมักมีองค์8อันเป็นข้อปฏิบัติเพื่อความดับทุกขและให้ถึงซึ่งความสุขที่ถาวรแท้จริงเนะ่ยเป็นจริงไหมเมื่อระลึกถึงและพิจารณาเห็นพระสัจธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้แล้วตามที่เป็นจริงพอเป็นแนวทางให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธา แม้จะยังไม่แจ่มแจ้งเหมือนพระอริยเจ้าก็พึงปลูกฝังความเลื่อมใสศรัทธาในพระศัทธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ด้วยพระญาณด้วยพระปัญญาอันเห็นชอบแล้วจึงได้ตรัสสั่งสอนไว้ด้วยดีแล้วนั้นแล้วพึงศึกษาและปฏิบัติพระศัทธรรมทรงตนนำตนไปตามกระแสรพระศัทธธรรมให้ได้รับผลดีแก่ชีวิตตามสมควรแก่ธรรมะที่ตนปฏิบัต ก็จะยิ่งเพิ่มภูนความเลื่อมใสศรัทธาในพระสัทธรรมอันเป็นข้อปฏิบัติที่ควรศรัทธาในพระพุทธและพระสงฆ์อันเป็นบุคคลที่ควรเลื่อมใสศรัทธาให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปความศรัทธาด้วยปัญญาเช่นนี้ก็จะเป็นทรัพย์อันประเสริฐ ท, ที่จะเป็นเสมือนเงาหรือเพื่อนสนิทที่จะคอยติดตามประคับประคองชักนาความประพฤติปฏิบัติของตนให้เป็นคนดีมีคุณธรรมมีศรรมีล ม, ม, มีธรรม นำตนและหมู่คณะสังคมและประเทศชาติไปสู่ความเจริญและสันติสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปได้ไม่มีเสื่อมเป็นบุคคลที่มีค่าเป็นผู้มีชีวิตไม่เปล่าประโยชน์อาจจะมีบางท่านมีความคิดเห็นว่าก็เห็นมีพระภิกษุบางรูปที่ปฏิบัติตนไม่เป็นที่น่าเลื่อมใสให้เสียศรัทธาดังที่มีข่าวทางสื่อมวลชนจึงเกิดวิกฤตศรัทธาพระพุทธศาสนาในหมู่ประชาชน ข้อนี้อาตมาภาพขอชี้แจงทำความเข้าใจต่อผู้มีความคิดเห็นเช่นนั้นว่าให้ท่านจงทำใจให้สงบและให้เป็นกลางซะก่อนแล้วจงพิจารณาด้วยใจเป็นธรรมให้เห็นพฤติกรรมนี้อย่างถูกต้องตามที่เป็นจริงและตรงประเด็นด้วยปัญญาอันเห็นชอบว่าเรื่องที่มีพระภิกษุบางรูปมีความประพฤติธปฏิบัติที่ไม่น่าเลื่อมใสศรัทธาทาให้ผู้คนเสื่อมศรัทธาในพระพุทธศาสนานั้น ท่านลองพิจารณาให้ถ่องแท้ให้ตรงประเด็นซิว่านั่นเป็นเพราะพระสัทธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ดีหรือว่าเพราะมีพระภิกษุรายบุคคลบางรูปที่ปฏิบัติพระสัทธรรมไม่ดีเองเมื่อพิจารณาด้วยใจเป็นธรรมด้วยใจอันสงบจนเกิดปัญญาอันเห็นชอบคือเห็นพฤติกรรมเช่นนี้ถูกต้องตามที่เป็นจริงและตรงประเด็นแล้วก็จะพบว่าพระสัทธธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ได้ตรัสรู้ด้วยดีและตรัสสั่งสอนไว้ดีแล้วรวมเรียกว่าพระพุทธศาสนานั้นเป็นความจริงอย่างประเสริฐสูงสุดแล้วและนับว่าเป็นวิทยาศาสตร์ทางธรรมชาติแท้ๆที่พิสูจน์ได้เสมอคือใครปฏิบัติตามพระสัตย ธ, ธรรมนี้แล้วย่อมได้รับผลดีจริงไม่เลือกเวลาส่วนใครไม่ศรัทธาเลื่อมใสแล้วยังไม่ศึกษาและปฏิบัติให้ดีก็ไม่ได้รับผลดีเองแต่พระพุทธศาสนาไม่เสื่อม คุณพระรัตระไกรคือคุณพระพุทธพระธรรมและคุณของประสงค์โดยส่วนรวมก็ไม่เสื่อมมีแต่ผู้ปฏิบัติไม่ดีผู้ขาดศีลขาดธรรมเท่านั้นที่เสื่อมคือเขาเสื่อมจากความดีเองจึงไม่เกี่ยวอะไรด้วยกับผู้มีปัญญาอันเห็นชอบจะไปเสื่อมศรัทธาในพระพุทธศาสนาผู้มีปัญญาย่อมรู้จักวิเคราะห์แยกดีแยกชั่วได้ถูกต้องตรงประเด็นอย่างนี้เขาไม่พิจารณาอย่างมั่วๆคลุมเครือ แล้ววิาพากษ์วิจารณ์แบบเบียงแหดังเช่นที่มีผู้วิจารณ์แสดงความคิดเห็นออกทางนิตยสารฉบับหนึ่งว่าเมื่อปฏิรูปการเมืองแล้วต่อไปจะต้องปฏิรูปพระพุทธศาสนาเพราะความเห็นผิดว่าขณะนี้พระพุทธศาสนากํลาลังเสื่อมแล้วนี่บังอาจยกตนเหนือพระพุทธเจ้าว่ารู้ดีกว่าพระพุทธเจ้าถึงกับยกเอาเรื่องของปุถุชนไปเปรียบกับโล ก, กุตตรธรรมคือพระอริยสัจธรรม อันพระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้แล้วเองโดยชอบคือได้ทรงเห็นแจ้งรู้แจ้งตามที่เป็นจริงแล้วจึงได้ตรัสสั่งสอนไว้ด้วยดีผู้มีความคิดที่จะปฏิรูปพระพุทธศาสนาเช่นนั้นจึงตกเป็นฝ่ายมิจฉาทิฐิโดยแท้พระพุทธศาสนาคือคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นพระอริยสัจธรรมที่แแจะแท้จริงที่ประเสริฐสูงสุดแล้วไม่มีคําสอนของผู้ใดในจักรวาลนี้ หรือแม้หมดทั่วทั้งแสนโกดจั ก, กรวานที่จะถูกต้องยิ่งไปกว่านี้อีกได้ข้อที่ถูกหรือกำลังจะถูกปฏิรูปโดยปุตุชนผู้มืดบอดจึงไม่ใช่คําสอนที่แท้จริงของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียกว่าเป็นธรรมปฏิรูปคือเป็นธรรมปลอมไม่ใช่เป็นพระพุทธศาสนาผู้คิดผู้พูดผู้ทาการปฏิรูปพระพุทธศาสนา ก็จึงไม่ใช่าศาสนิกชนที่แท้จริงเพรา ะ, ะแสดงว่าเขาไม่รู้จักพระสัทธรรมที่แท้จริงๆของพระพุทธเจ้าเลยแต่ถ้าจะคิดปฏิรูปการเมืองสังคมให้กลับมาศึกษาทำความเข้าใจและปฏิบัติพระสัตรธรรมให้รู้จักนำพระสัทธรรมไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันของตนและของหมู่คณะเพื่อปรับปรุงพฤติกรรมทางการเมืองทางสังคมและทางเศรษฐกิจให้ดีขึ้นแล้วเป็นอันถูกต้อง เพราะพระพุทธศาสนาคือคําสอนของพระพุทธเจ้ามีแต่จะทําให้ผู้ปฏิบัติตามมีสติปัญญาอันเห็นชอบรู้ทางเจริญทางเสื่อมแห่งชีวิตตามที่เป็นจริงจึงนําให้ผู้ประพฤติปฏิบัติตามประสบแต่ความเจริญรุ่งเรืองและสันติสุขแต่ฝ่ายเดียวเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์หรือหลวงพ่อวัชเกตจึงได้กล่าวในท่ามกลางสงฆ์ผู้เป็นเจ้าคณะปกครองผู้มาประชุมกันที่หอประชุมใหญ่พุทธมณฑล เมื่อวันจันทร์ที่เจกรกฎาคมศนี้ว่าความจริงแล้วพระพุทธศาสนานั้นไม่ใช่เพียงแต่เป็นศาสนาประจำชาติไทยหากแต่เป็นศาสนาประจำโลกเพราะมีแต่ทําให้ผู้ปฏิบัติตามเกิดความร่มเย็นเป็นสุขแต่เราก็ไม่มีอํานาจอะไรที่จะไปทําให้เป็นเช่นนั้นได้ทั่วทั้งโลกเพราะฉะนั้นใครผู้ใดคิดจะปฏิรูปพระพุทธศาสนา คือคิดด้วยความเห็นผิดของตนว่าจะปรับปรุงทำให้เหมาะสมดีขึ้นแล้วแสดงความคิดอันเป็นมิจฉาวาจาด้วยมิจฉาทิฐิเช่นนั้นออกไปสู่สาธารณชนทางสื่อมวลชนก็เป็นอันบอกได้เลยว่าพระเทวทัตกำลังจะมีเพื่อนเพิ่มขึ้นอีกคนหนึ่งแล้วเพราะพระเทวทัตเมื่อสมัยที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงมีพระชนชีพอยู่ ได้เคยมีความคิดที่จะปฏิรูปการปกครองการบริหารพระสงฆ์ได้กราบทูลขอปกครองสงฆ์เองแทนพระพุทธเจ้าและขอวัตถุห้าคือขอตั้งกฎเกณฑ์ให้พระภิกษุถือปฏิบัติให้เคร่งครัดกว่าเดิมเช่นว่าให้พระภิกษุใช้ผ้าบางสุกุลเป็นวัดตลอดชีวิตให้อยู่อาศัยตามคนต้นไม้ตลอดชีวิตให้งดเว้นการฉันเนื้อสัตว์ตลอดชีวิตเป็นต้นมาแล้ว แต่พระพุทธเจ้าก็ไม่ส่งอนุญาตจึงคิดทำลายสงเรียกว่าทำสังฆเภทและบัดนี้พระเทวทัตก็ได้ไปเกิดในที่อันสมควรแก่กรรมชั่วของท่านแล้วผู้ปฏิบัติภาวนาได้ถึงธรรมกายย่อมจะสามารถเห็นสภาพของพระเทวทัตที่กำลังเสวยผลกรรมอยู่ในปัจจุบันนี้ได้อีกประการหนึ่งที่มีข่าวปรากฏทางสื่อมวลชนหรือบางท่านอาจจะพบเห็นด้วยตนเองบ้างว่า มีพระภิกษุบางรูปที่ประพฤติไม่ดีนั้นจงพิจารณาให้ท่องแท้ว่ามีกี่มากน้อยเมื่อเทียบกับพระภิกษุสงฆ์ไทยที่มีจํานวนประมาณสา 0,000 นรูปในวัดต่างๆทั่วประเทศประมาณสาม 0,000 ื่นวัดและเมื่อเทียบกับจํานวนพระภิกษุสงฆ์ที่ตั้งใจศึกษาพระธรรมวินัยและปฏิบัติพระสัตยธรรมแล้วช่วยแนะนําสั่งสอนศีลธรรมภาวนาธรรมด้วยความเสียสละแก่ประชาชนอย่างกว้างขวาง กระทำคุณประโยชน์แก่สาธารณชนแก่สังคมและประเทศชาติทั้งโดยตรงและโดยอ้อมทั้งที่เปิดเผยรู้เห็นกันได้และทั้งที่ไม่ได้เปิดเผยให้เป็นที่รู้เห็นทั่วไปแก่สาธารณชนเพราะพระที่ดีท่านก็ไม่ได้ทำงานเอาหน้าหรือไม่ได้ทำกิจกรรมเพื่อความเด่นดังหรือเพื่อหวังผลตอบแทนจากใครๆเพราะฉะนั้นจงพิจารณาให้ท้ว่วทีให้เห็นแจ้งชัดตามที่เป็นจริงแล้ว จะพบว่าจํานวนพระภิกษุผู้ประพฤติไม่ดีไม่เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาทั้งที่ปรากฏเป็นข่าวและที่ได้พบเห็นเองนั้นมีน้อยนักมีอัตราที่ต่ามากเมื่อเทียบกับจํานวนพระภิกษุสงฆ์ที่ท่านตั้งใจศึกษาเล่าเรียนประธรรมวินัยตั้งใจประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบช่วยแนะนําสั่งสอนศีลธรรมภาวนาธรรมแก่ประชาชนให้รู้ทางเจริญทางเสื่อมแห่งชีวิต และได้ทําคุณประโยชน์แก่ทั้งตนเองและผู้อื่นแก่สังคมและประเทศชาติด้วยความเสียสละนั้นมีอยู่เป็นจำนวนมากเพียงแต่ว่าพระที่ทาดีและวัดที่มีกิจกรรมดีๆที่ทําคุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติมากๆไม่ค่อยปรากฏเป็นข่าวทางสื่อมวลชนอย่างกว้างขวางมากหรือเหมือนอย่างกระแสข่าวของพระภิกษุผู้ปฏิบัติไม่ดีบางรูปซึ่งเพียงมีเพียงไม่กี่รูปเท่านั้น อันหนึ่งพระภิกษุที่มีข่าวปฏิบัติไม่ดีนั้นก็อาจจะมีทั้งผู้ที่เคยตั้งใจบวชมาปฏิบัติ ด, ดีก่อนแต่กลับมาประพฤติเสียหายในภายหลังและอาจมีทั้งผู้ที่ปลอมแปลงบวชเข้ามาหากินในพระาศาสนาและหรืออาจจะมีทั้งผู้เจตนาบวชปลอมแปลงเข้ามาเพื่อทําลายพระพุทธศาสนาก็ได้เพราะพระภิกษุเจ้าวาดหรือพระอุปชาอาจารย์ผู้รับบวชนั้น เมื่อท่านได้สอบถามอันตรายยิกธรรมคือข้อขัดข้องที่ให้บวชไม่ได้กับผู้มาขอบวชและก็ไม่ได้พิจารณาเห็นความพิรุษเสียหายใดๆแล้วก็อนุเคราะห์ให้บวชเข้ามาเป็นพระภิกษุได้เมื่อคนชั่วปลอมตัวบวชมาเพื่อมาหากินกับวัดหรือเพื่อมาทำลายพระพุทธศาสนาหรือแม้ผู้ที่เคยตั้งใจบวชเข้ามาทำความดีแต่ภายหลังทนต่ออานาจทีเลวไม่ได้แล้วกลับประพฤติเสียหาย แม้มีเพียงไม่กี่รายแต่กลับตกเป็นกระแสข่าวและการวิพากษ์วิจารณ์ที่รุนแรงอย่างกว้างขวางผู้ไม่พิจารณาการณีเหล่านี้ให้รอบคอบด้วยใจเป็นธรรมก็จะเห็นว่าพระพุทธศาสนาเสื่อมแล้วถึงกับกล่าวกันว่าเกิดวิกฤตศรัทธาจนเป็นผลให้พระภิกษุเจ้าคณะปกครองหรือพระอุปชาอาจารย์ผู้มีแต่เมตตากรุณาผู้มีแต่ให้กับให้ต้องมาพลอยรับเคราะห์ คือความเสื่อมเสียชื่อเสียงเพราะผู้คนหลงเชื่อหลงคล้อยตามกระแสข่าววิพากษ์วิจารณ์ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการไปด้วยทั้งๆที่พระพุทธศาสนาคือคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามิได้เสื่อมเสียและพระสงฆ์ส่วนใหญ่ที่ดีก็มีมากมายวัดที่มีกิจกรรมดีๆที่ทําคุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติก็มีมากแต่กลับไม่ค่อยเป็นข่าวทางสื่อมวลชนคือมีบ้างแต่น้อยเหลือเกิน เรียกว่าเป็นปฏิภาคกลับกับอัตราส่วนของกระแสข่าวพระที่ไม่ดีที่มีจำนวนเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเลยทีเดียวยกตัวอย่างสดๆเมื่อวันที่11สิงหาคมศกนี้นี่แหละคณะขราชการพ่อค้าประชาชนชาวจังหวัดราชบุรีและคณะสงฆ์จังหวัดราชบุรีได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและเจริญจิตภาวนาถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ซึ่งมีข้าราชการพ่อค้าประชาชนนักเรียนนักศึกษาครูอาจารย์และพระภิกษุสงฆ์ชาวราชบุรีจำนวนประมาณ 5,000 ันคนได้ไปพร้อมกันเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเพื่อถวายพระพรชัยมงคลที่วัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีแต่ปรากฏว่าได้ทราบจากผู้ที่อยากจะดูข่าวนี้ว่า ไม่ยักมีข่าวการกุศลอย่างนี้ออกทางทีวีช่องไหนในวันที่12สิงหาเลยนี่เป็นอย่างนี้นี่แหละแต่อัตมาไม่ได้ดูเองนะเพียงแต่ว่าคู่เขาอยากจะเห็นข่าวเขาพยายามดูข่าวก็ไม่เห็นข่าวนี้ซึ่งเป็นข่าวดีแม้แต่ช่องเดียวเมื่อท่านพิจารณาเห็นพฤติกรรมนี้ด้วยปัญญาตามที่เป็นจริงอย่างนี้แล้ว พึ่งปลูกศรัทธาในพระสัทธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ยิ่งขึ้นไปที่มีศรัทธาน้อยก็จงให้มีมากขึ้นที่มีมากอยู่แล้วก็จงให้เจริญและมั่นคงยิ่งขึ้นแล้วชีวิตของท่านจะมีแต่ความเจริญและสันติสุขแต่ส่วนเดียวเพราะมีอริยทรัพย์คือความศรัทธาเลื่อมใสในข้อปฏิบัติที่ควรศรัทธาคือพระสัตธรรมและมีความศรัทธาในบุคคลที่ควรศรัทธาคือพระสงฆ์และ และมีความศรัทธาในบุคคลที่ควรศรัทธาคือพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์เจ้าที่จะเป็นเสมือนเงาและเพื่อนสนิทที่คอยติดตามประคับประคองความประพฤติธปฏิบัติตนให้ตั้งอยู่แต่ในคุณความดีมีศีลมีธรรมและให้ดำเนินชีวิตไปแต่ในทางเจริญและสันติสุขไม่เป็นไปในทางเสื่อมที่เป็นโทษและเป็นความทุกข์เดือดร้อนจึงย่อมเป็นผู้ไม่ยากจนขัดสน และเป็นผู้มีชีวิตที่ไม่เปล่าประโยชน์ในการทุกเมื่อประการที่สองพึงงดเว้นความประพฤติชั่วด้วยความเป็นผู้มีศีลมีสัตว์ความประพฤติชั่วทางกายเรียกว่ากายทุจริตได้แก่เจตนาฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเจตนาลักช่อและประกอบมิจฉาอาชีวะและการประพฤติผิดในการมส่วนความประพฤติชั่วทางวาจาคือคำพูดเรียกว่าวาจีทุจริตได้แก่คำพูดโป้ปดมดเท็จ บิดเบือนหลอกลวงต่างๆคำพูดหยาบช้าด่าทอกล่าวร้ายป้ายสีผู้อื่นให้เสียหายคำพูดที่ยุแยกให้แตกสามคัคคีและคำพูดที่เหลวไหลไร้สาระเป็นต้นและความประพฤติชั่วทางใจคือทางความคิดเห็นเรียกว่ามโนทุจริตได้แก่ความคิดเห็นที่เต็มไปด้วยความโลภความเห็นแก่ตัวจัดความเห็นแก่พวกพ้องของตนจัดความคิดที่เต็มไปด้วยความโกรธพยาบาทอาฆาตมาตร้าย คิดแต่จะให้ผู้อื่นที่น่าจิบหายและความคิดติดเต็มไปได้วยความหลงงมงายไม่รู้บาปบุญคุณโทษไม่รู้กฎแห่งกรรมว่าทากรรมดีย่อมได้รับผลดีทากรรมชั่วย่อมได้รับผลชั่วและไม่รู้ทางเจริญทางเสื่อมแห่งชีวิตตามที่เป็นจริงสาธุชนพึงเป็นผู้งดเว้นความชั่วทางกายทางวาจาและทางใจรวมเรียกว่าทุจริตสามเหล่านี้เสียด้วยการรักษาศีล ให้เป็นผู้มีศีลมีสัตว์อย่างน้อยให้มีศีลห้าได้แก่เจตนางดเว้นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหนึ่งเจตนางดเว้นการลักช่อคดโกงหรือการประกอบมิจฉาอาชีวะคืออาชีพในทางที่ผิดหนึ่งเจตนางดเว้นความประพฤติผิดในกามหนึ่งเจตนางดเว้นการโกหกหลอกลวงบิดเบือนความเป็นจริงหนึ่งและเจตนางดเว้นการเสพ สิ่งเสพติดมืนเมาให้โทษเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทหนึ่งถ้าประชาชนทุกหมู่เหล่าพากัน ร, รักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์และสมบูรณ์อยู่เสมอมากเพียงใดความสันติสุขในชีวิตของผู้มีศีลเองและความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองก็ย่อมมีมากขึ้นเพียงนั้นแต่พฤติกรรมของสังคมในยุคปัจจุบันที่มีแต่ความเจริญทางวัตถุและทางเทคโนโลยีใหม่ๆแต่ผู้คนขาดศีลธรรม มีแต่ความประพฤติ ท, ที่เป็นกายทุจริตวาจีทุจริตมโนโทุจริตมากมายเหลือเกินจะหาคนมีศีลมีสัตว์แม้เพียงศีลห้าก็ยากเต็มทีผลจากกรรมชั่วหรือทุจริตทางกายทางวาจาและทางใจที่ผู้คนหลงมัวเมาไม่รู้บาปบุญคุณโทษไม่รู้กฎแห่งกรรมไม่รู้ทางเจริญทางเสื่อมแห่งชีวิตตามที่เป็นจริงอย่างนี้จึงคิดผิดรู้ผิดเห็นผิดพูดผิดทำผิด ประกอบอาชีพผิดผิดนำคนอื่นผิดผิและก็หลงตามคนอื่นอย่างผิดผิ ด, ดแล้วก็ยังนำตนและหมู่คณะสังคมและประเทศชาติไปสู่ความเสื่อมที่เป็นโทษเป็นความทุกเดือดร้อนให้เกิดความสับสนต่อปัญหาชีวิตที่เกิดขึ้นจนยากแก่การแก้ไขเยียวยาจนชีวิตผู้คนในสังคมและประเทศชาติแทบจะถึงความล่มจมกันมากอย่างที่รู้รเห็นเห็นกันอยู่ในทุกวันนี้ ดังจะขอยกตัวอย่างของความประพฤติกายทุจริตและวัจีทุจริตมาพอให้เห็นโทษอันควรให้ท่านผู้ฟังพอระลึกเห็นได้และจงตั้งใจรักษาศีลให้เป็นคนมีศีลมีธรรมอันจะนำชีวิตตนและครอบครัวมูขคณะตลอดถึงสังคมประเทศชาติไปสู่ทางเจริญและสันติสุขยิ่งขึ้นได้ดังตัวอย่างเช่นกายทุจริตหรือความประพฤติผิดศีลข้ออธินาทาน คือการเอาของของผู้อื่นที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ด้วยอาการอย่างขโมยหรือกล่าวย่อๆว่าการลักชอบนี่เป็นความหมายหลักแต่โดยความหมายอย่างกว้างแล้วหมายความรวมทั้งการปล้นสะดมการยักยอกการคดโกงการปลอมแปลงสินค้าการโกงตาช่างหรือเครื่องตวงวัดการขู่กันโชคเอาซั์เอาทรัพย์หรือการแบล็กเม์การคอรัปชันต่างๆมีการโกงกินตามน้าทวนน้าเป็นต้น และการประกอบอาชีพในทางที่ผิดเช่นการโกงการเลือกตัง้งการซื้อเสียงหรือประพฤติผิดกฎหมายเลือกตัง้งเพื่อให้ตนได้รับเลือกตั้งเข้ามาหรือการวิ่งเต้นซื้อตำแหน่งโดยวิธีการอันมิชอบการปลิดการจำหน่ายและสนับสนุนหรือการปกป้องการค้ายาเสพติดเหล่านี้เป็นต้นความประพฤติผิดศีลเหล่านี้แหละแม้จะได้ทรัพย์สินเงินทองหรือตาแหน่ง นั่นก็เป็นปาตกถาธรรมของหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยชยะมังคโลได้แสดงเรื่องผู้มีอริยรัพย่อมเป็นผู้ไม่ยากจนอธิบายหลักของรัพ์ในทางพระพุทธศาสนาให้ผู้ศึกษาและปฏิบัติธรรมได้เข้าใจว่ารัพ์จริงๆรั์ที่เป็นที่ถาวรมั่นคงนั้นมีอยู่ในหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา ซึ่งหลวงพ่อก็ได้อธิบายขยายความทั้งในส่วนหยาบและส่วนละเอียดให้สาธุชนผู้มีปัญญาได้ศึกษาและปฏิบัติทำความเข้าใจกับอริยทรัพย์อันประเสริฐนั้นสำหรับรายการธรรมะสู่สันติในวันนี้ก็คิดว่าสมควรแก่เวลาแล้วขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านขอท่านผู้ฟังทั้งหลายจงเป็นผู้มีอายุมั่นขวัญยืน จเจริญรุ่งเรืองในพระสัตธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดการละนานเทินจเจริญพร